รครับคุณผู้ฟังฮะจากเรื่องของคุณเบาหิวครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของคุณคิงครับเมื่อกี้ฝากพี่บัตรบอกคุณคิงไปแล้วนะครับว่าเราคงจะไม่เกินตีสองนะครับเพราะว่าถ้าตีสองปุ๊บเนี่ย Facebook มันจะตัดสัญญาณทันทีฮะเพราะว่ามันจะสามารถแพร่ภาพสดได้ครั้งละไม่เกินสี่ชั่วโมงแล้วถ้าเรื่องกาลังสนุกสนุกแล้วสัญญาณมันตัดแล้วต้องมาต่อ สัญญาณใหม่นะครับไลฟ์สดใหม่เนี่ยโอ้ความน่ากลัวความสนุกนี่มันจะลดหายลงไปเลยนะครับแต่ดูจากเวลาตรงนี้เนี่ยน่าจะลื่นเหลือฮะสำหรับคุณคิงชั่วโมงสร็เสจากนี้ไปครับเรามาปิดท้ายกับเดอะโกสเลดีโอของเราในค่มคืนวันนี้กับสายของคุณคิงครับวันนี้มาสองเรื่องเลยเรื่องของบุคลิกหลอนและเรื่องผมเป็นผีฉบับสมบูรณ์ครับสวัสดีครับคุณคิง ฮัลสวัสดีครับโอยนะฮะต้องบอกว่าคิดถึงเสียงนี้มากๆนะฮะคุณคิงยังคงเป็นนัมเบอร์วันสำหรับผมและก็สำหรับคุณผู้ฟัง The Ghost Radio อยู่เหมือนเดิมโอ้ครับในการเล่าเรื่องผีนี่ต้องต้องยกให้เขาฮะคิง of Ghost นะฮะครับผมคุณคิงตอนนี้สบายดีนะ ก็ด <idée> <Okay>. ีคร <téléphone> ับไม่ไม่เจ็บไม่ใครครับโอเคเห็นพึ่งออกศินเมานั้นเห็นในเฟซบุ๊กอยู่นะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคุณคิงนะครับนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับวันนี้มาทั้งหมด2เรื่องด้วยกันเรื่องของบุคลิกหลอนแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของผมเป็นผีฉบับสมบูรณ์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าเอ๊ะทาไมมันถึงต้องเป็นฉบับสมบูรณ์เราไปกันที่เรื่องแรกก่อนครับนะเรื่องของบุคลิกผีเรื่องราวอะไรยังไงครัคุณคิง คือว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณบอลผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ต้อ ง, ต, องต้องลองฟังดีกว่าเพราะว่าถ้าผมอธิบายไปเนี่ยผมอธิบายทางเรื่องการแพทย์เนี่ยไม่ถูกหรอกแต่ถ้าจะให้มองเป็นเรื่องของความหลอนเลยเนะี่ยผมก็จะเจาะลงไปตามใ น, นเรื่องของเขาที่เขาเล่ามาเลยได้ครับเพราะว่าเรื่องของผมเรื่นเลยนั้นจ้งว่าได้เเรื่องของคุณบอลเนี่ยเป็นเรื่องมาจากจังหวัดกาลสินอื แต่เขาไม่ให้ผมบอกแอเรียไม่ให้บอกว่าเป็นอยู่อำเภอไหนอะไรเพราก็บอกว่าเรื่องนี้ดังั <c oughs> งเลยนะครับถ้าใครอยู่แถ้สิทธิ์ลองฟังเรื่องนี้ดูแล้วก็เขาบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่อยู่อีกเขาเ ว, ว่าไงด้านในลึกเข้าไปเ <c oughs> ขาใช้คำว่าด้านในลึกเข้าไปแต่ของตัวหมู่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับอืมแต่ว่าไอ้บ้านที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันคือบ้านด้านนอกซึ่งมันมีอาถรรพ์ตั้งแต่วันแรก ที่แม่ของเขาได้เป็นเจ้าของเลยออื hmm. ก็คือว่าพื้นที่นะครับตอนแรกเนี่ยมีคุณยายท่านหนึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่ไม่เคยได้คิดจะขายขายแม้กระทั่งว่าคนเนี่ยมาขอซื้อในราคาสี่แสนห้าแสนก็ไม่ขายอือ hmm. อยู่มาเนี่ยสมัยที่ว่ายังเป็นาสาวนะฮะมาขอซื้อราคานี้ไม่ขายออื hmm. แต่ด้วยความที่ใครๆก็ชอบพูดว่ามันเป็นพื้นที่อาถรรพ์แล้วมันก็เกิดเรื่องต่างๆนาขึ้น ก็เลยทําให้คุณยายคนเนี้ยเหมือนแกปเจรทนิดกับทางด้านแม่ของคุณบอลอืในวันที่แกเริ่มไปไม่ไหวแล้วยุ่มากแล้วแกก็เลยพูดกับคุณแม่ของคุณบอลแต่ว่าขายให้แค่สี่หมื่นที่ดินสนะี่ห้าแสนแต่มาขายให้แม่ของคุณบอลเนี่ยสี 4, ่หมื่นซึ่งใครๆแถ้งเขาก็รู้สึกว่าคือมันก็ถูกแ่ะ ถ, ถึงแม้มันจะเป็นอาถรรพ์แต่เขาก็จะไดเพราะที่มันดีไงอืมเพราะที่มันดี เขาก็เลยจะการปลูกบ้านปลูกอะไรเท่ากับว่าตอนนี้คุณบอลมีบ้านข้างในหมู่บ้านแล้วก็บ้านข้างนอกนะครับที่ใจเราฟังไปทีละช็อตนะคร uh ับ huh. มันจะมีเรื่องในและก็นอกกันทันนี้ว่าปกปติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่บ้านข้างในกันไปบ้านข้างนอกเนี่ยเขาค่อยๆท า, ข, า ข, ขึ้นมาเรื่อยๆเร uh ื huh. ่อยๆเรื่อยๆจนมันเสร็จมันเสร็จเขาก็าจะมาอยู่บ้านข้างนอกไปขอแม่ว่าขออยู่บ้านข้างนอกได้ไห ม, uh huh. มันื่องว่าเป็นหนุ่มแล้วอะ uh ่ะอยากตอกมาอยู่กับเป็นส่วนตัวให้หน่อยแม่ก็มีบ้านทั้งสองหลังอย่เงี้ย แม่เขาเลยบอกอ่านั่นก็ไปดูไปเช็คน้ำถึงไฟที่ทำคมสะอาดแล้วก็ถ้ามันูจะอยู่นู่นก็อยู่เลยก็ได้ลูกคุณบอลเขาก็เลยอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะเขาเป็นวัยรุ่นไงเขาต้องการแบบโลกคนตัวสูงแต่บังเอิญว่าเขามันนึกขึ้นได้ว่าไอ้ที่ดินเนี้ยวันที่แม่เขาซื้อเนี่ยมันเกิดเรื่องประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคุณยายคนเนี้ยที่ขายพื้นที่ตรงนี้ให้กับแม่ของคุณบอลเนี่ยครับ ในวันที่ขายให้จ่ายเงินกันตอนวันสี่หมืนตกตอนเย็นยายคนนี้ก็คือเล่าซื้อเบียร์มาเลี้ยงออืเอาเลยกินเต็มที่เลยเว้ยอะกินเต็มที่เลยไม่มีลูกมีหลานไม่สนใจอยู่แล้วอพอกินเล่ามันเสร็จเ อ, อมามันเยอะแะเด็กแค่ไหนไม่รู้ยายคนนี้เอาน้ำ ม, มันราดตัวเองและจุดไฟเผาตัวเองในที่ดินตรงนั้นเฮ้ยจริงหรอครับในที่ดินที่คุณขายให้กับแม่ของคุณบอลในที่ดินของตัวเองเก่า แล้วพอขายเสร็จป<ช>ุ๊บ<ำ>เอาน้ำมันล่าตัวเองจุดไฟเผาในที่ดินนี้เลยอ่ะฮะใช่ครับุณในคืนวันที่ขายเลยด้วยอาการที่ไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยนะครับไม่เคยมีอาการเหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันขา ย, ยได้สดายฉันจะตายขายที่ดินเลยไม่มีคือแบบเอาขายแล้วก็ขายไปไปอยู่ดูแลไปพูดดีๆปกติอ ก, ตกเด็นมาแนละ้วก็เล่าซื้อเบียอะไรมาดื่มกันสลองกันแต่อยู่ดีก็เผาตัวเองตายซะอย่างนั้นนะแล้วพี่แจ็คเล่าว่าถ้าพี่แจ็ เป็นคุณบอลหรือเป็นแม่คุณบอลที่เพิ่งซื้อมาอืิ่งซื้อวันนี้แล้วยิ่งต้อมาค่าตัวตายในที่ดินเนี้ยเครียดนะเครียดครับแต่พอมันเกิดเป็นบ้านอะไรขึ้นมาแล้วอเนี้ยคุณบอลแล้วพอมาอยู่แต่เขาไม่ขึ้นได้ถึงเรื่องนี้แต่เขาไม่กลัวอืเพราะว่าเขาขยายคนเนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นส่วนตัวที่แบบไม่ดีต่อกันนะแล้วคุณบอลเนี้ยก็ชอบฟังรายการพี่แจ๊กนี่แหละฟังรายการพี่แจ๊กฟังคนคนเล่าคนโน้นเล่าคนนี้เล่าค่านี้มีด้านหลังเนี้ยนะครับ เดินเนีมันจะตัวบ้านเนี่ยมันจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ซึ่งคุณบอลเนี่ยเขาบอกผงที่ก็น่าจะเป็นต้นละมุ่งคือเขาก็ไม่รู้จักว่าต้นไม้นี่มันเรียกว่าต้นอะไรอ่ะว้ยรุ่นอ่ะเนาะแต่เขาบอกมันใหญ่เขาส่งรูปมาให้ผมดูด้วยนะออืต้นไม้ต้นเนี้ยเขาบอกว่าเป็นต้นละมุ่งเราก็คิดว่าต้นละมุ่งนะขนาดใหญ่ๆแล้วจะมีเก้าอี้ินเนี่ยออยู่ตัวเดียวมีใช่เก้าอี้ไม่มีตัวโต๊ะนะครับเขาจะนั่งที่เก้าอี้สัวนนั้นตอนกลางคืนฟังรายการทีนั่แหละออืฟังเวลาฟังรายการผีอะไรจะโกดมาที่ไหน เขาจ่อกไปนั่งฟังตงนั้นตลอดหรือถ้าวันวันอื่นที่ไม่ใช่วันแต่วันอิตเนี่ยเขาก็จะฟังแห้งอยู่ทุกแต่จะต้องออกไปนั่งฟังตรงนั้นนะ่แอละฟังตรงนั้นตลอดที น, นี้มันก็มาเชื่อมโยงกับเรื่องของวาง่าบ้านที่อยู่ติดกับบ้านของเขาจะมีคุณลุงคนหนึ่งซึ่งตั้งแต่เสียภรรยาไปออืก็จะมีอาการเพี้ย น, นเหมือนคนสองบุคลิกออืบุคลิกแรกคือคนที่พูดน้อยแต่ก็ยังพูดูเรื่องและออืพูดแล้วก็ยังแบบ ยแยมตั้งแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยุ่งกับใครนั่นคือปกติบุคคลีกของแก่จาก บ, บุคลิกที่สองที่เวลาบทแกจะเป็นขึ้นมาเนี่ยทุกคนในบ้านต้องสังเกตให้ดีเพราะถ้าสังเกตไม่ดีแกจะแอบไปแขวนคอตัวเองอกับต้นไม้คือพยายามจะฆ่าตัวตายทุกครั้งคนในบ้านจะต้องสังเกตถึงขนดที่ว่าแอบไปใช่ไหมงั้นมา มัดไว้กับในบ้านเอาไม่เป็นไรพออาการดีขึ้นเอาไปมัดไว้นอกบ้านตรงต้นนี้ต้นที่คุณบอลจะต้องมานั่งฟังประการเนี้ยประจําอบางทีการเตยให้นะครับแล้วก็ปลูกเอาไว้กับต้นไม้ต้นนั้นอ่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าทําอย่างนั้นพี่แจ๊กว่าไหมเพราะคนเขาชอบปลูกคอเขาก็ปลูกกับต้นไม้อยู่แล้วออแต่ถ้ายังเอาไปมัดไวอย่างนั้นอ่แต่มันก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นเวลากลางวันเขาก็คิดว่าช่วยอยู่กันได้แต่มีอยู่คืนหนึ่ง <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> เรากำลังนั่งฟังรายการพิ่จักอยู่นี่แหละแล้วอยู่นี่ก็มีเสียงมาจากต้นไม้ต้นนี้เสียงมาจากอีกด้านหนึ่งแบบเขาก็รู้แล้วเคยเสียงอย่างเงี้ยมันคุ้นแล้วมันมีเ พ, เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาเคยเห็นลุงคนนี้ทำอย่างเงี้ยมาละสามสี่ครั้งละ เขาก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นค่อยๆชะโนกไปอยู่ทางด้านหลัง oh. เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วย oh. ที่เขาเลยกระโดดข้ามรั้วไปเพราะว่าไอ้อีกฝั่งหนึ่งของต้นไม้อ่ะมันอยู่ด้านของรั้วเขาไงกระโดดข้ามรั้วเข้าไปแล้วก็ไปยึงขาไว้ออ oh. กอดขาไว้ลุงคนนี้ยิ้มเหมือนไม่อยากตายอ่ะ oh. คือยิ้มเหมือนไม่อยากตายแล้วแกก็ดันขากอดไว้แล้วก็ดึงดึงยกให้เขาขึ้นอ่ะ oh. เขาก็พยายามที่จะช่วยเอยงคือค่อยๆปลดเชบออกออมสีหน้านะครับเป็นคนที่แบบว่ากลัวความตายอย่างที่สุด oh. แล้วก็มักจะบน่นเนาะ กูมาทำอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยมันจะโทษตัวเองสารพัดว่าทำไมตัวเองถึงได้มาทำอย่างนี้อแต่ก็พยายามเรียกคนให้เขามาช่วยจนช่วยออกมาได้สำเร็จรู้ว่าสีหน้าของลุงคนเนี้ยมีความกลัวเป็นที่ตั้งแหละส็มายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบุคลิกหนึ่งที่อยากจะทำแต่ไอ้บุคลิกตกัวตนของกจริงๆแกไม่อยากทำเลยอ่านหมายถึงว่าเหมือนกับสะติแกเวลาแกขาดสติหนึ่งจะไปคอยผูกคอตายนี่คือบุคลิกหนึ่งเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยพยายาม <c oughs> ให้แกไปผูกอ่ะ ครับอัท่า น, นี้ว่าทุกคนก็ต้องคอยระวังครา้เนี้ยคือคุณบอลช่วยได้ครับทุกคนจะรับรู้แล้วก็มาออกขอปกคอบใจอะไรกันท่า น, นี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณบอลนนะ่ะแม่เขาเรียกให้เขาไปอยู่บ้านขนา้างในเขาก็อาจกลับไปอยู่บ้านขนา้างในนานแค่ไหนคุณบอลไม่ได้บอกระยะเวลานะครับออืแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ผู้ชายอเนาะวัยรุ่นเนี่ยก็อยากจะกลับมาอยู่ที่เดิมเคยนอนคนเดียวได้อะไรได้อย่างเงี้ยก็เลยกลับมา พอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เดิมเลยเวลาจะฟังอะไรต้องออกมานั่งก้าอี้ตัวเนี้ย อ, อยในบ้านมันร้อนนะฮะเขาก็ออกมานั่งฟังรายการทีเดิมแต่งแล้วผมยังบอกเขาเลยนะว่าเป็นคนกลัวไหมเขาบอกว่าเขากลัวนะแต่เขาจะฟังเขาต้องการตั้งบรรยากาศคือต้องออกไปอย่างเงี้ยให้ใที่มันโล่งๆแล้วไม่ร้อนแล้วมันก็มืดแบบได้ฟิล์ว์เขียนเตอม์ใหม่อะไรพิเศ แกบอกรู้ทันทีเลยไม่ต้องมองนะทันทีกระโดดไปเลยพอกระโดดไปถึงก็เห็นจริงๆด้วยแล้วก็พยายามกันขาขึ้นแล้วก็บก่นลุงท่านอย่างนี้แล้วนะออืทําไมลุงทัานอย่างนี้เนี่ยพอเอาข้อจริงพอช่วยจริงลุงก็ไม่อยากตายหรอกแ้วลุนี่ยทำนี้ทำไมไม่เข้าใจจริ ง, รงแต่พอแกแข่งขึ้นมามองหน้าลุงคนนี้คราวนี้ลุงแกยิ้มออืแกยิ้มเสร็จแล้วแกค่อยเอามือเรื่อมไปดึงเชือกให้แน่นยิ่งขึ้นกีดั๊กคือเหมือนพยายามดึงเชือกที่ช่วยดึงให้ตายกห้เร็วนี่สุดแล้ว ทั้งทั้งที่เขากอดขาอยู่ล่างและหน้าก็เสียยิ้มออกเรื่อยๆนะแต่ก็แกก็มองอยู่เนี่ยทั้งทา้งที่ช็อกแต่ก็ปากก็ตะโกนเรียกช่วยด้วยมีใครช่วยหน่อยเร็วลังจะจะบุกพกาตายแล้วและแกค่อยๆดึงเชือกขึ้นจนจนเขารู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างบนน่าเหียวแล้ว่แต่ยังยิ้มอยู่นะอยูไม่มีอาการเส้ทนทุเอนทุลายอะไรเลยเนะขาก็เลยว่าไปทมันแปลกตะโกนเรียกมานานจนยายที่อยู่บ้านของลุงคนนี้แกออกมา แกมายืนมองห่างอยู่มาณห้าเก้ามั้งหลานแกก็ออกมาหลานทุกคนออกมามองุูแล้วเดินหันหลังเข้าบ้านเลยเแกก็บอกเอาไม่ช่วยกุณก้อนนะ่ะออแล้วก็เว่อวายแกยังยืนกอดนะอยู่น ะ, แ, ะแกกอดขาลุงคนนี้อยู่นะแล้วแกกอดมือทุกคนบอกเอามาช่วยกันดิยายคนนี้ก็กอดมือเองเอามานี่ดิเอายายก็มานี่คนจะตายยายจะมาเรียกอะไรก็เองเอามานี่คือต่างคนต่างเรียกกันอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็บอกอะไรของยายเนี่ย ท่า น, นี้ผู้ใหญ่บ้านเดินมันแตด้านหลังแตนกระหลาำแล้วพวกเข้าบ้านไปโทรอ่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านก็เดินมาผู้ใหญ่บ้านก็ามาแตะไหล่เอ้แล้วก็ล็อกคอไปเลยแต่เฮ้ยพอเฮ้ยทุกหันเนมาทีคือจะเดนติ่งออกมาไกลสักสามสี่เก้า 3, 4, ออเพอหัดเรียมองคือไม่มีลุงอ่ะอ้าวลุงไม่มีมีแต่เชือก<อ>แต่ก็เฮ้ยแต่ตอนนั้นพยายามคิดว่า หรือว่าพปกปลดเชื่อลงไปในทันจีเลยคือพยายามคิดในแง่ดีเพราะแกะแกว่าแกกอดจริงๆเป็นขาจริงจริงแกว่าถ้าเป็นผีต้องสัมผัสไม่ได้ดิแต่แกบอกแกกอดจริงๆกอดแบบแน่นเลยนะแล้วแก ก, ก็กอดกอดกอดเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> อันนี้เดินออกมาข้างนอกไปนั่งตรงบ้านยายคนนั้นอืและยายคนนั้นเขาก็พยายามพูดว่าเองใจเย็นนะเองฟังดีๆนะรเรื่องทั้งหมดเลยก็คือว่าลุงคนเนี้ย ตายแล้วอรงนั้นตายได้ยังไงยังมางร้อเล่นเรื่องนี้ไม่เอาอเขาบอกตายแล้วจริงๆแกผูกคอตายตรงนั้นแหละครับเขาก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจริงๆยังช่วยอยู่เลยแล้วก็ อ, อยู่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็สำทับว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงออแกตายจริงๆที่เองเห็นมาเจนไม่ใช่เองคนแรกที่เห็นค <c oughs> นหนึ่งเขาก็เห็นอืแกก็เกิดความกลัวแต่คือกลัวพี่แจ๊ดแต่แล้วเขาอาจจะกลัวแบบมึนๆแบบ ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าแกยังกอดโดนตัวอยู่เลยเมื่อเี้านี้น <N> แต่ก็ต้องเชื่อเพราะนี่เมื่อทุกคนพูดอย่างนี้แล้ว่มันก็เลยออกอาการเหมือนจะมึนจะกลัวก็ไม่กลัวแต่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนแต่ไม่ไปายใจไปนั่งของต้นไม้ต้นนั้นแหละแล้ว <N> แกก็จะคิดวนถึงจะเรื่องเนี้ยคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดวนคิดวนคิดจนวันหนึ่งนั่งอยู่ในบ้านตอนกลางคืนจนะ <N> ไม่สนใจอ ย, อย่างอื่นเลยนะคุณบอลแหละแกคิดแต่เรื่องว่าเฮ้ยลุงวนนั้นเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่วะอเอาอย่างไงกันแน่วะ ตกลงกันใช่เห็นใช่มีเสียงหนึ่งเด้บอลบอลอือมบอลแกก็เลยจะงงกขึ้นดูปุ๊บพี่แจ็ครูไ้ไมว่าแกเห็นใครครับ <Okay. S 2> แกเห็นยายคนที่เอาน้ํามันลาดตัวเองตายครับมายืนหน้าบ้านแล้วบอกมึงอย่าคิดถึงเขามากนะเดี๋ยวเขาก็ไปหามึงในบ้านได้หรอกอ่าอย่างเงี้แล้วก็หายไปต่หน้าเลยคุณบอลเขาก็ช็อกล่างลงแลนะแบบ ไอ้นี่มันเรื่องจริงหรืเรื่องเล่ น, ลนวะ แ, ะแล้วแกก็ตกใจใจก็ไปจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจัจิจิจิจิจินิจิจิจิจิจิจิ น, นิจิจิจ<ถ>ิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจ เ, เดิเดเดจิจิจาา่จิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิะิาาจะงจิจิจิจ<อ>ิเิจิจิจิจิจิจิจิจอจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิจิรู้แล้วิจนนิจิจิจิจินิจิจิจิจิจิจิจ่จิจิจิจิจิจิ และเรื่องมันก็จบแค่ตรานั้นเพราะว่าต้นน้ม่วงตัวนั้นแหละในทุดผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจเผาแล้วไม่เคยมีอะไรอีกเลยนะครับแล้วก็ส่งรูปตอนเผาต้นน้ำม่วงให้ผมดูด้วยก็ค่อนข้างจะดูแล้วก็ต้องข้างจะโลง่งแต่มันมีจุดๆๆๆมันที่แค่ในวันที่คุณบอลเนี่ยเขาโทรหาผมเนี่ยวันนั้นเน่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งเขาเพราะฝั่งผมเนี่ยร้อนตับแแลกเลยออืผมก็เลยถามว่าเอ้าคุณ ตอนอยู่กันหลายคนเหรอครับบ้านนี้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคือหลังจากเขาเล่าจบครับ<ฮ>เพราะว่าตอนที่เขาเล่ามาเนี่ยมันจะมีเด็กผู้ชายอ อ, าอย่างเงี้ยอืมเหมือนอยู่ห่างๆแล้วก็ตะโกนมาเงี้ยผมก็เลยถามว่าคุณว่าอยู่กันหลายคนเหรอครับหรือว่ายัางไงแล้วเปิดทีวีเขาบอกพี่คิงไฟบ้านผมดับอืมทีวีไม่มีครับ<ฮ>ตอนนี้ไฟดับหมดเลยอืม ผมคุยกับพี่ฮิงเนี่ยแบตผมเหลือสิบห้าขีดผมไม่สามารถจะคุยได้นานไปมากกว่นี้แล้วอื ม, อมแล้วเสียงนั้นมันคือเสียงอะไระเสียงที่เขาจะคงรอดไม่ได้ของเขาเนี่ยถนะ้ายกบ้านผ ม, นมทุกวันนี้ยังไม่เคยอยู่แบบคือมันเรื่องลุงมันหายไปแต่มันมีเรื่องประหลาดแบบโผล่มาเรื่อยๆทำไมเลยเพราะว่าที่ดินตรงนี้มันก็เหมือนกับเขาก็รู้อยู่ใจแล้วเป็นอาถรรพ์ไปแล้วอะ่ะแต่ว่าแม่ซื้อมาแ ล, แล้วแล้วแม่กร็รักตรงนี้มากน ะ, ะแต่แม่ก็ไม่กล้ามาอยู่นะมีแต่ลูกมาอยู่ทิ้ง่า ประมาณนี้ครับพี่แจ๊คสำหรับเรื่องนี้หมายถึงว่าตอนที่เห็นคุณยายคนนั้นที่แกเผาตัวเองเหมือนเหมือนแกมาช่วยเตือนสติครับใช่ไหมแกมาช่วยเตือนสติว่าอย่าไปคิดถึงลุงแกเยอะเดี๋ยวก็เอาอยู่ด้วยหรอกนี้ก็เขาก็มาหาหรอกอะไรประมาณนี้แล้วผอ่าเขาบอกว่าถ้ามึงคิดถึงเขามากเดี๋ยวเขาก็เข้าไปหามึงได้หรอกเพื่อปว่าเขาเข้าไปาพได้อโอ้โหแล้วก็เข้าจริงเข้ามาชวนเราไปผูกคอเล่นกันไนั้นโอ้โหน่ากลัวจังเลยอ่ะ อผมสุดท้ายคือผู้ใหญ่บ้านต้องเผาต้นมะม่วงนี้ทิ้งเผาเลยครับเผาเลยเราก็ส่งต้นมะม่วงมาผมดูแต่ว่าผมก็ต้องลบทิ้งนะเพราะว่าผมก็ไม่กล้าเอาไว้นะพี่แจ็คครเพราะคาว่าอาถรรพ์เราก็ไม่รู้มันจะยังไงนะเพราใช่อสินะครับทุกวันนี้เนี่ยบ้านของน้องเขาแล้วเขาอยู่บ้านไหนบ้านในหรือบ้านนอกก็ยังอยู่บานงนอกอยู่ครับอยู่บ้านข่างาอกอยู่บ้านนอกที่ไฟถั่นะฮะอ่าอ่ายังอยู่อยู่ แต่ไม่เจอลุงอะไรนั่นแล้วเพราะว่าต้นไม่มีลุงต้นมีเลี้ยงมานโดนเผาไแล้วหรอโอ้โหโอ้หรือว่าเป็นเพราะว่าเรื่องราวของที่จริงๆคุณคิงฮัลโหลอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวของที่หรือเปล่าคุณคิงครับเป็นไปได้คุณคิงได้ยินผมไหมสัญญาณทัางฝั่งพแจ้งผมไม่ ไ, ได้ยินเลยผมได้ยินคุณคิงชัดเจนมากๆฮะใส่ใส่กิ๊กเลย ครับอ๋อนะครับเมื่อกี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยมันมีอาถรรพ์จริงๆน่าจะเป็นไปได้ครับพี่เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ยอมรับอยู่ในทีนะว่า ม, มันน่าจะเป็นเขาอย่างนั้นซึ่งมันเป็นอาถรรพ์มาจากอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับเพราะว่าอย่า ง, งเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็ังงงอ่ะพี่แจ๊ดคและตัวเขาก็ยังงงหากคำตอบไม่ได้ว่า ถ้าไม่อยู่ดียคนนั้นชื่อจังหวันปกติอตอนเย็นมายัางกินเหล้ากับล้อเลยแต่ตกึ้นมาเอาน้ำมันราดตัวเองอะใครเข า, านึกว่าแกเล่นเลยไม่ทันได้ห้ามอืจนแกเอาไฟจุดติดตัวแล้วอะตรง น, นี้คนไม่กล้าเข้าไปแหละเพราะไฟมันลุกแล้วโ อ, อแสดงว่าแกอาจจะต้องมีปัญหาอะไรที่มันอยู่ในใจแล้วแกไม่บอกใครแกไม่แสดงออกไม่แน่ ใ, ใช่ไห ม, มฮะคืนคนแก่แกคนหนึ่งอะคุณคิงคุณผู้ฟังครับอยู่ดีๆเอาน้ำมันราดตัวเองแล้วไฟจุดเนี่ยเฮ้ยผมว่า มันมันมันต้องมีอะไรที่มันมันมันแน่นมันแน่นอยู่ข้างในของแกะแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ดังนะครับคนเผาตัวเองยังไงก็ดังดังในดังครับเผมกาดังเลยแหละใช่ไหมโอ้ใช่ครับโอ้โหเออน่ากลัวนะครับเรื่องของบุคลิกผีอ่าบุคลิกหลอนนะครับของคุณคุณบอลขอบคุณคุณบอลด้วยนะฮะเชื่อว่าตอนนี้น่าฟังอยู่ครับน่าจะฟังอยู่ครับเขาเป็นคลับของ โอขอบคุณมากครับอะ